เจ็ดสัปปานกัวรัตแปดอริทธาสิขาบทว่าด้วยพระอริธกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเรื่องพระอริธ์417สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตะวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นทิฏฐิบาปเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระอริทธ์ผู้มีบัพพบรุษเป็น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 เรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าทําตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่ครั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปหาพระอริ tha ผู้มีบรรพบพ ร, รุษเป็นพรานค่านกแร้งถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับพระอริ tha ผู้มีบรรพบพ ร, รุษเป็นพรานค่านกแร้งดังนี้ว่า ท่านอริ tha ได้ทราบว่าทิฐิบาปเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่ท่านว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าทำตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันต ร, รายก็หาสามารถก่ออันต ร, รายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่จริงหรือพระอริ tha ผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแรงกล่าวว่าเหมือนจะเป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลาย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 พระผู้มีพระภาคตรัสธรรมที่ก่ออันตรายว่าเป็นธรรมก่ออันตรายไว้โดยประการต่างๆและธรรมเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายให้แก่ผู้ซ่องเสพได้จริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการมทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกมากมีความคับแค้นมากในการมนี้มีโทษอย่างยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการมทั้งหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูมีทุกมากมีความคับแคนมาก ในกรรมนี้มีโทษอย่างยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการมทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการมทั้งหลายเปรียบเหมือนคบเพลิงญ่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการมทั้งหลายเปรียบเหมือนลุ่มฐานเพลิงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการมทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการมทั้งหลายเปรียบเหมือนของที่ยืมมาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการมทั้งหลายเปรียบเหมือน ผลไมข้ขาต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการทั้งหลายเปรียบเหมือนเขียงหั่นเนื้อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกเหลาพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงูมีทุกข์มากมีความคับแคนมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งพระอริ tha ถูกภิกษุเหล่านั้นตักเตือนแต่ก็ยังกล่าวด้วยความยึดมัน่นถือมั่นทิฏฐิบาปนั้นอยู่อย่างนี้ว่า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 รันถึงแล้วจึงกลาบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ